ใช้ชีวิตนะตามปกติเท่าที่เราจะทำได้โดยเพราะในฐานะนักปฏิบัตินะปกติธรรมดาของพวกเราก็คือการปฏิบัตินะเรามีการทาวัดสวดมนต์ทุกเช้าและเย็นเรามีการปฏิบัตินะไปกับการเดินจงกรมก็ดีสร้างจังหวะก็ดีหรือว่าการมีความสึกตัวกับ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 อย่างเช่นเมื่อวานนี้เราก็มีการทําวัดกันผาที่มาทำวัดกันที่นี่ก็ไม่มากเพอะส่วนใหก็ไปทําวัดกันที่วัดภูเขาทองแต่วัานั่นก็เป็นส่วนเล็กน้อยแต่ที่สำคัญคือว่าถึงแม้กิจวัตรของเราในช่วงนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้าง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 เปลี่ยรกลายเป็นดีนี้ไม่ไําไปนึกว่าเปลี่ยนเหตุการณ์ภายนอกนะเพราะความสูญเสียหรือการที่หลวงพ่อรัสังขารไปมันเปลี่ยนอะไรไม่ได้แล้วแต่วันเปลี่ยนความรู้สึกของเราได้หรือเปลี่ยนเสียงที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราแทนที่จะเศร้าโศกคล่ําครวญ น, นะก็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 วความทุกข์มันอย่างเอาแล้วในตัวเราทุกคนเพราะนี่เป็นธรรมดาธรรมชาติของสังขารและแถมยังมีความทุกข์อยู่เบื้องหน้าด้วยถ้าเบื้องหน้าเรานี้ยังไม่รู้จะสูญเสียใครไปอีกนะแต่มันก็ต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนอยู่ที่ว่าช้าหรือเร็วอยู่ที่ว่าเป็นใครนะอันนี้ก็เป็นศัจธรรมนะศัจธรรมที่เราต้องรู้จัก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 ดอกบัวงดงามได้เทนั้นที่เกิดขึ้นจากโคลนตมทีไม่ไม่น่าดูไม่มีใครอยากจะคล้องเกี่ยวโคลนตมแต่ว่าผลเปลี่ยงโคลนตมนั้นก็คือดอกไม้ที่เรานําไปบูชาพระสักการะพระพุทธเจ้าไม่มีโคลนตมก็ไม่มีดอกบัวไม่มีทุก ไม่เจอทุกก็ไม่พบธรรมะต้องเจอธรรมะต้องเจอทุกนะธรรมะในใจของเราถึงจะยังลากลึกและเจริญงอกงามได้แม้ความสูญเสียมันก็มีประโยชน์ความทุกข์ต่างๆก็มีประโยชน์เราไม่สามารถจะเปลี่ยนมันได้เพราะมันเกิดขึ้นแล้วแล้วมันก็เป็น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 หรือว่าหดทูเศร้าหมองก็มาใช้เหตุการณ์นี้เป็นเครื่องกระตุ้นให้เกิดความไม่ประมาทให้เร่งทำความเพียรนะไม่นิ่งดูได้เพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับหลวงพ่อสักวันหนึ่งก็จะเกิดขึ้นกับคนรักของเราคนอื่นๆื่นอีกอาจจะไม่ใช่ครูบาอาจารย์จะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นหลาน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 ดีใจนิดนี้ก็ดอก็คือไม่ใช่แค่ทำดีนะเท่านั้นแต่ว่าต้องภาวนาฝึกฝนใจให้เห็นความจริงเห็น จ, จัตธรรมจะได้พ้นจากความทุกข์ได้ไม่เป็นอะไรกับอะไรนะหรืออย่า ง, งน้อยๆก็มีทำนำพาชีวิตนะอย่างที่หลวงพ่อได้เขียน ย้ำเตือนพวกเราในบันทึกของท่านหลวงพ่อจากไปนะเขจากไปแต่ตัวแต่ว่าคําสอนนะซึ่งเกิดซึ่งเป็นหัวใจของท่านเป็นอาชีพที่ท่านรักนะหลวงพ่อท่านผู้อยู่เสมอเนี่ยอาชีพของท่านก็คืออาชีพที่สอนกรรมาฐานท่านก็ได้ทิ้งคําสอน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 มาแจ้งกับคณะสงฆ์ว่าพระสายลบุตรได้ปรินิาพานแล้วพระจุลธานี่เป็นน้องของพระสายลิบุตรแล้วก็เป็นพระอราหันด้วยเมื่อท่านนําข่าวการปรินิาพานของพระสารีิบุตรมาแจ้งกับคณะสงฆ์ก็มีพระหลายรูปทีเดียหนะ้าที่เสียใจคร่ําครวญรวมนักพระอานนท์ด้วยพระเจ้าก็เลยตัดถามว่าสารลิบุตร ไปเนี่ยได้เอาสมาได้เอาศีละขันไปหรือเปล่าพระก็ตอบ ว, ว่าเปล่าได้เอาสมาธิขันไปไหมก็เปล่าได้เอาปัญญาขันไปหรือเปล่าก็ไม่ได้เอาไปวิจาเรเลยตัดว่าก็ในเมื่อสายบุตรไม่ได้เอาศีละขันสมาธิขันปัญญาขันไปจะเศร้าเสียใจไปทําไมทั้งหมดนี้ของดีๆเหล่านี้ยังอยู่กับเรา ยังเป็นสิ่งที่เราสามารถจะเข้าถึงได้ถ้าหากว่าภาษาถ้าอาศัยเรื่อหรื อ, อใครก็ตามนะเอาสิ่งเหล่านี้ไปอันนี้แะนั่นแหละที่เราควรจะเสียใจหลวงพ่อก็ไม่ได้เอาศีลสมาธิปัญญาไปกับท่านด้วยไม่ได้เอาสติไม่ได้เอาความสึกตัวไปจากเราไม่ได้เอาสัจธรรม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 จะว่าไปนะเราก็ยังไม่ได้สูญเสียอะไรมากหรือไม่มีความสูญเสียในสิ่งที่เป็นแก่นธรรมเลยก็จะยังอยู่และก็จะอยู่ตลอดไปตราบใดที่ยังมีผู้ปฏิบัติและสิ่งที่หลวงพ่อได้เข้าถึงค้นพบนะ ก็ยังอยู่รอาการค้นพบจากเรารอาการเข้าถึงจากเราเพราะฉะนั้นแทนที่จะเสียใจคร่งครวญก็ต้องถือว่าเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องปฏิบัติทำความเพียรเพื่อจะได้เข้าถึงหรือประสบอย่างที่ท่านได้เข้าถึงและประสบมาแล้ว ความสูญเสียก็หมายตึงเป็นหมายถึงหมายถึงสิ่งที่เตือนใจสอนใจให้เราทำความเพียรด้วยความไม่ประมาทและในวลาเดียวกันก็เป็นเครื่องย้ำเตือนให้เรารู้จักปล่อยวางเมื่อพระทุทธเจ้าได้ตรัสถึงความไม่เที่ของสังขารพระองค์จะตัดสองแง่ในแง่หนึ่งก็คือว่าให้ปล่อยวาง อนนีจาวัตสังคาราอุปาทาเวรมิโนอุปาชิตวานิรุชนติเตสังวุสมสุโคที่เราเรียก บ, บางสกุลตายเนี่ยสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดามีขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นการสงบวางแห่งสังขารเป็นความสุขอย่างยิ่งอันนี้คือการปล่อยวางโดยการปรลล็ถึงความไม่เที่ยงของสังขาร เรียกว่าเป็นการทำใจส่วนอีกแง่หนึง่งที่เราจะได้ประโยชน์จากความไม่เที่ยงของสังขารก็คือการเตือนใจให้ไม่ประมาทความไม่ประมาทก็หมายถึงการเพียรพยา ย, ยามไม่ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปตระหนักว่าเวลาเหลือน้อยลงทุกทีต้องรีบทำความเพียรให้ถึงประโยชน์เท่าที่มนุษย์เราจะพึงได้รับอันนี้เราเป็นการทำกิจนะทำกิจ ความเพียร น, นี่มันก็หมายถึงการที่ไม่ปล่อยปาะละเลยแต่ลงมือทำนะการทำกิจและการทำจิตนะต้องทำควบคู่กันเมื่อไม่เศร้าโศกไม่เสียใจเพราะปล่อยวางได้อันนี้ก็ดีแล้วนะแต่ว่าก็จะต้องเร่งทำความเพียรด้วย เพราะปล่อยวางไม่ได้แปลว่าปล่อยปละละเลยปล่อยวางเป็นการทำจิตนะเพื่อใจไม่ทุกข์ส่วนการทำจิตนะยิ่งยังต้องทำต่อไปเพราะคือหน้าที่เนะี่ถ้าเราเกี่ยวข้องกับความสูญเสียหรือว่าความตายของคนที่เราลักคนที่เราเคารพเนี่ยไม่ถูกต้องมันก็ พาไปสู่ความเสื่อมได้แต่ถ้าเรามีท่าทีถูกต้องนะ่ยทำให้เราเนี่ยเกิดความตื่นตัวเร่งเร้าไม่ปล่อยปากแล้วเลยเร่งทำความเพียรเพื่อทำให้เข้าถึงบรรลุซึ่งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านอย่างบางคนก็มีมีลูกมีหลานมีพ่อมีแม่ที่ต้องดูแล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 ความพ้นทุกข์อริยะโลกุตระธรรมอุตตรจัดว่าเป็นทรัพย์ประจำตัวของทุกคนก็ต้องเข้าถึงทรัพย์ใช้ประโยชน์จากทรัพย์นี้ให้ได้อันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นปร ะ, ประโยชน์ตนนะก็ต้องทำเหมือนกันด้วยความเร่งรีบแต่ไม่รีบร้อนแล้วก็ในเว็วเดียวกันก็ไม่รีลรอ